บทภาชนีติการนิสักคียปาจิตตร้อยเิบหกของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แ <sloppy> ก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีสําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิชชณีไม่แน่ใจให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตินิสักคียปาจิตตี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 ไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัติทุปกฏไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งไม่ต้องอบัติ